พระยตรปิฎกฉบับประชาชนพระยตรปิฎกเล่มที่หอธิกรณ์สี่อธิกรณ์มีสี่คือหนึ่งวิวาธาธิกรณ์การวิวาทกันในเรื่องเกี่ยวกับพระธรรมวินยัย 2. อนุวาธาธิกรณ์การโจทฟ้องกันด้วยศีลวิบัติเป็นต้นสอาปัตตาธิกรณ์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 ระ ง, งับด้วยยกให้ว่ามีสติคือสติวินัย 3. าระ ง, งับด้วยยกให้ว่าเป็นบ้าคืออมูลหาวินัย 4. ีระ ง, งับด้วยการลงโทษคือตัดสาปาปิยาสิกาอาปัตตาทิกรการต้องอาบัตตต่างๆระ ง, งับด้วยวิธีระ ง, งับสามประการคือหนึ่ง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 คือระ ง, งับในที่พร้อมหน้าสัมมุขขาวินัยทรงปรับอาบัติปาจปาิตตีแก่ภิกษุผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ที่ชาระเสร็จไปแล้วและปรับอาบัติปาจปาิตตีแก่ภิกษุผู้ให้ฉันทะและบ่นว่าในภายหลังสำหรับข้อนี้เว้นแต่อธิกรณ์นั้นชาระไม่เป็นธรรม